้นาตาเพราะรักเรามันมีใช่ทุกสิ่งต่อยสลาลรนหยดน้ำตาไม่อาจเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นจริงคำว่าเธอกับฉันคำว่าเรารักกันไม่มีคาพอให้เธอได้เคียงข้างฉัน แต่อาจาไม่ใช่พรุ่งนี้ที่รักเธอก็รู้ไม่มีอะไรได้มันไง่ายได้อาจจะต้องมีวันที่เราห่างกันแสนไกลแม้มันต้องจบแต่ขอจะจดเอาไว้ไม่วันนานแค่ไหนหัวใจฉันคือคนเดิมสเสมอให้เธอจึงจำสายตาคื่นี้ มันจะไม่มีวันเ ป, ปลี่ยนปลงไปไม่วันนานแคนไหนฉันเป็นคนเธอแค่เธอคนเดียวเท่นั้นแต่เราพบกันเพื่อใจ ร, รักกันเพื่อรอวันไป่ยคำลาอย่างน้อยเราเคยรักกัน นั้นมันก็ดีเกินพออยากจะขอพิงอยู่ดเวลายครั้คืนนี้กลายเป็นนิรันด์ก็แค่เธอกับฉันก็แค่เรารักกันรักนั้น เ ร, เราเราอยู่อยาที่ตั้งใจเราจะนีความจริงไปนานเท่าไร่แม้มันต้องจบแต่อย่าคิดจะทำมัอไว้ ฉันจะไม เพื่อจารักกันเพื่อรอวันพบกันใหม่